หมู่บ้านไอ้ที่ที่อาบน้ําำที่ตีนเขาตั้งแต่บ่ายสองโมงแต่วันไหนแค่จะปัดกวาดก็เจ็ดค่าหลวท่านจะเอาเจ็ดค่ำพอจวนจะวันพรานเะจ็เจ็ดค่ำหรือสิบสี่ค่ำท่านก็จะปัดกวาดละปัดกวาดจากหน้าถ้ำจนถึงห้วยหรือว่าถึงที่ตีนเขาตีนหมู่บ้าน แล้วก็ตักน้ห า, น ห, า, นา ห, นหาบน้ำหามน้ำขึ้นมาด้วยในหามน้ำบางทีสี่ปิ๊บนละนะสี่ปิ๊บไม้คานคานหนึ่งเนี่ยนะองค์ที่สองก็ทำอย่างนั้นนะแปลว่าปัดกวาดไปด้วยถือคานน้ำปิ๊บน้ำไปด้วยแล้วก็ปัดกวาดก็่าจะเสดได้ทุนะลูกหลานสนะี่ห้าหกโมงเย็นวนะ่ะโอ้วันนั้นว่าวันไหน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 นึกนึกย้อนหลังนึกนึกดูแล้วโอ้โหแต่ขําไม่ออกเหมนนึกดูแล้วขําไม่ออกเพราะมันดูแล้วมันไม่ใช่ลำบากธรรมดาอาบน้ำขึ้นมาพออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกวดปัดกวาดนี่นก็เงื้อแต่เงื้อไหลล่ะพอมันเขีย่ยใบไม้ออกจากชอกหีน่ะจักชักชักชักกวาจะออกไปได้ปัดกวาดทำความสะอาดโอ้หลวงปู่าลาละเอียดนะ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 เหมือนตะกาอยู่ทั้งสองข้างหรือว่าสิ่งของอยู่สองข้างพระอยู่ตรงกลางหาบของเนี้ยนั่นปรับอบับทุกกดแต่พายแต่พายสีบ่าได้อยู่ใส่ที่หัวได้อยู่ใส่ที่ที่ใส่หลัง เ, เป๊ะนะ่ได้อยู่เะเดตคล้ายๆว่าใส่ที่เอวเหมือนกับเราอุ้มเด็กนะ่ก็ได้อยู่แต่ห้ามหาบทำไม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 ทางอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันอพอปิณธบัต บ, บางทีก็สองหมู่บ้านบ้านลุก ป, ปึ้งก็บ้านแหวงแต่โวยมากทําพระน้อยก็ไปบ้านแหวงบ้านเดียวถ้าหากว่ามีพระมากกว่า น, นั้นะแบ่งกันไปปัดกวาดทั้งสายนั้นด้วยทุกเจวันเจ็ดวันก็ปาดปัดกวาดครั้งหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือที่หลวงพ่ อ, อเล่าและพูดให้ลูกหลานฟังเนี่ย